ช้าทุกเย็นเราก็ได้สวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาองค์คุณต่างๆของพรินทร์ไตรนะองค์คุณนี่ก็หมายถึงคุณสมบัติคุณสมบัติ ประการหนึ่งของพระธรรมนะเรียกว่าธรรมคุณก็คือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนายโกองคุณข้อนี้ก็น่าพิจารณานะเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยยังไม่เกิดประโยชน์จนกว่า เราจะได้น้อมนำธรรมะนั้นมาเรียกว่าสถาปนาหรือว่ามาตั้งมั่นในกายวาจาใจของตัวจะเรียกว่าธรรมะเนี่ยยังไม่ได้เป็นธรรมะจนกว่าเราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์เช่นพระไตรปิฎกหรือว่าที่เราได้ได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ มันจะยังเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ไม่ได้นะหากว่าเรายังไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามานี่ไม่ใช่เพียงน้อมเข้ามาอยู่ในความทรงจำอันนั้นยังไม่พอนะแม้ว่าจะสาธยายพระไตรปิฎกได้ครบนะทั้งสี่สิบห้าเล่มก็ยังไม่เรยกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัว จนกว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่กายวาจาและใจนะเช่นมีการเป็นผู้ฝ่ายในทานเป็นผู้มันรักษาศีลเป็นผู้ที่มันเจริญภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าน้องเข้ามาใส่ตัวแล้ ว, ลวมน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ แห่งทำอย่างแท้จริงนะทำที่ช่วยให้เกิดความสงบเย็นไม่มีความเดือดเนร้อนใจจนถึงขั้นที่พ้นทุกข์นะพ้นวัฏสงสารประโยชน์อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีทางเดียวนะคือน้อมเข้ามาใส่ตัวนำมาปฏิบัติ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นที่กายวาจาแล้วก็ใจตามลำดับการเจริญสตนะิการทำวิปัสสนาแม้เราจะรู้วิธีรู้เทคนิคแต่ว่าถ้าไม่ทดลองทำสักที อันนี้ก็ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่มีความรู้ในทางธรรมเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้นเนี่ยไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองเลยไม่ได้นำมาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากธรรมะอยู่ อันนั้นอีกที่พูดมานี่ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวอีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามนะเวลาเราเห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้จักโยงเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อมาเป็นเครื่องเตือนใจ หรือเป็นเครื่องฝึกใจเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นแล้วเรายงเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อเตือนใจนะเพื่อฝึกฝนจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันนะและสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นธรรมะได้ทันทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคาสอนที่ มาจากครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคำจัดของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเวลาเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวคือโยงมาสูรตัวเราเองว่าตัวเราเองนี่สักวันหนึ่งก็ไม่ต่างจากใบไม้ที่ร่วงนะวันนี้นะยังยังติดอยู่นะ กับกิ่งกับต้นแต่วันข้างหน้านะก็จะร่วงก็จะเปิดปลิวนะไม่ตางจากใบไม้ที่เราแย่เห็นถ้ามองแบบนี้ก็เกิดธรรมมากขึ้นแล้วนะจะเรียกว่าใบไม้นี้สอนธรรมให้กับเราก็ได้ให้เราลึกถึงความไม่เที่ยงชีวิตให้ตระหนักถึงความไม่จริรังนะของสังขารพระบางท่านนี่ท่านบรรลุธรรมได้นะเพราะว่าการน้อมเข้ามาใส่ตัวแบบนี้แหละ เช่นท่านพิจารณาดอกบัวนะที่มันเคยสวยงามแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็โรยราท่านพิจารณาเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นเปล่าๆแต่ท่านน้อกเข้ามาใส่ตัวว่าเออสังขาร น, นะคือตัวเรานะสักวันหนึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับดอกบัวเหมือนกัน พิจารณาเห็นดอกบัวแล้วก็โยงเข้ามาสู่ตัวเองเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะเห็นตระหนักชัดในเรื่องของไตรลักษณ์ก็บรรลุธรรมได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันดอกบัวก็สอนธรรมะ ก, กับเราได้มันมีสิ่งต่างๆมากมายนะที่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อไหร่นะธรรมะ ก, ก็เกิดขึ้น กับกายวาจาใจของเราท่านจุลปันทงนี่ท่านเป็นพระในสมัยพุทธกาลเป็นผู้ที่มีปัญญาทึบนะต่างจากพี่ชายพี่ชายนี่ฉลาดนะบรรลุธรรมได้เร็วแต่ว่าท่านจุลปันทกนี่แค่สโลกแค่สโลกสามสี่บรรทัดนี่ท่านยังท่องไม่ได้เลยทั้งภรษายังท่องไม่ได้ ก็เลยถูกไล่นะถูกพี่ชายไล่นะออกจากวัดให้ไปศึกษะท่านก็เสียใจนะจะมาทูลลาพระเจ้าเพื่อขอลาศิกขาแต่พระเจ้าเห็นว่าท่านเนี่ยมีมีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยให้ทำกรรมฐานนะที่ไม่เหมือนใครนะก็คือให้เอาผ้า เช็ดหนาหรือผ้าขาวนี่แหละมาลูบนะเอามือลูบผ้าที่ขาวบริกรรมไปด้วยนะว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นท่นจุลบันทงท่านก็ทําตามนะพระธรรมเป็นคนซื่อท่านไม่มีความสงสัยนะถ้าเป็นเราบางคนก็จะสงสัยว่าผู้เจ้าให้ทําทําไมนะแทนที่จะนั่งให้นั่งภาวนา เหมือนคนหนึ่งเขานะเดินจงกรมหรือว่าเจริญอานาปานสติทำไมให้มารูปผ้าสีขาวท่านก็ทําใบรูปนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็ว่าได้ยิ่งรูปไปรูปไปเนี่ยนะมันก็เริ่มเริ่มหมองเริ่มเริ่มสกรปรกนะที่เคยขาวก็เริ่มหมองคล้ำท่านก็พิจารณาเห็นนะว่า ให้ผ้าขาวนี่นะมันก็ไม่เที่ยงเลยนะตอนแรกยังขาวอยู่เลยตอนนี้มันหมองคล้ำซะและ้วตอนที่ท่านพิจารณานี่ท่านก็มีสมาธิมากเพราะว่าบริกรรมวัลโชหารณังวัลโชารณังจนกระทั้งจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตั้งมาและพิจารณาเพียงแค่เห็นผ้าขาวไอ้ผ้าสีขานี่มันหมองคล้ำนี้ท่านก็ เกิดความตระหนักนะว่าสังขารของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมันไม่เที่ยงไม่จีรังจิตใจของเรานะถ้าถูกกิเลสครอบงำนะมันก็หมองก็เศร้าเหมือนกันพอท่านมองเช่นนี้ท่านก็นบรรลุ ธ, ธรรมเลยนะเป็นพระอรหันเพียงแค่พิจารณาผ้าสีขาวแต่ท่านไม่ได้พิจารณาเปล่าเปล่าไม่ได้มองแค่เห็นว่าผ้ามันขาว แล้วมันเปลี่ยนเป็นคล้าเท่านั้นแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ตัวเองสู่กายและใจเกิดความเข้าใจนะในเรื่องสังขารปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพน้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักนะน้อมเข้ามาใส่ตัวเราก็ลองพิจารณาดูเถิดนะสิ่งที่เราเห็นนะถ้าเรามองให้เป็นน้อมเข้ามาใส่ตัว เ, เห็นกองขยะเห็นสิ่งปฏิกูล เ ห, หเห็นมดเห็นแมลงถ้าเรารู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็เกิดทำแก่เราได้ในสาวัติการก็มีเนนอยู่ท่านหนึ่งนะชื่อสามเนรบัณฑิต เ, เดินตามพระไตรุิฎกไปบินทบาท เ, เข้าไปในหมู่บ้านก็ระหว่างทางก็เห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านา เดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูกำลังดัดลูกศรลูกธนูเดินต่อไปอีกหน่อยนะก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ทั้งสามภาพนีก็เป็นภาพที่แสนจะธรรมดาสา ม, มัญนะพวกเราก็คงจะเคยเห็นไม่มากก็ น, น้อยไอ้ดัด ดักทั้งดักลูกศร อ, อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่เห็นชาวนาขายน้ําข้าวนาเห็นช่างไม้ถากไม้ส่วนใหญ่เห็นแล้วก็เห็นเท่านั้นแหละแต่ว่าสามเด็รบันเตนี่ท่านรู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวคือท่านเกิดความได้แง่ายคิดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่มีจิตใจเนี่ยเช่นน้ําเช่นลูกศรหรือว่าไม้เนี่ย มันไม่มีจิตใจก็จริงแต่ว่ามนุษย์เราก็สามารถที่จะบังคับเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปตามต้องการได้แล้วตัวเราล่ะนะมีจิตมีใจทำไมจะฝึกตนไม่ได้อย่างที่ต้องการคือท่านไม่ได้มองเฉยๆนะแต่มองกลับเข้ามาเพื่อถามตัวเองก็ทำให้เกิดนะคาตอบว่าเนี่ยเราเนี่ยซึ่งเป็น คนที่มีจิตใจเนี่ยนะเป็นนักบวชเนี่ยจะต้องหันมาฝึกฝนตนให้ได้พอคิดชนนี้ท่านก็เกิดความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะฝึกตนขึ้นมาก็เลยขอลานะขอกลับไปบำเพ็ญภาวนาในในวิหารนะที่เชตวันเรารอกว่าท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ได้ในเช้า ว, วันนั้น นะก่อนที่พระไยรลบุตรนี่จะกลับจากบิดาบานะ น, นึ่งเด็กเจ็ดขวบนะแต่ว่ารู้จักมองสิ่งที่เห็นเป็นธรรมดาธรรมดานี่มันกลายเป็นธรรมะได้นะถ้ า, าว่าน้องเข้ามาใส่ตัวนะพอน้องเข้ามาแล้วก็เกิดความตระหนักเลยโอ้ว่าเรานี่ต้องฝึกฝนตนนะอันนี้เป็นที่มาของอ คำตรัสของพระพุทธเจ้านะในธรรมบทนะที่ว่าชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่างไม้ถากไม้และบัณฑิตย่อมฝึกตนนะคนที่มีอาชีพอื่นนะคนที่คนชาวโลกทั่วไปนี่เขาไปดัดแปลงสิ่งแวดล้อมดัดแปลงเปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอกแต่ว่าสําหรับบัณฑิตแล้วนี่สิ่งสําคัญกว่าคือการดัดแปลงหรือฝึกฝนตนนะ เพราะการฝึกฝนตนนั้นเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พบกวับความสุขและความเจริญมันมีคำพูดนึงที่พูดว่าเนี่ยดีช่วยอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวถ้าฝึกตนนะก็เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตแต่แล้วก็ตามที่พูดมานี้นี่ก็ต้องอก็ต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นเป็นคำสอนในระดับในระดับสามมันนะ พระพุทธเจ้าสอนโดยใช้คําพูดแบบสามัญถ้าหากว่าพูดโดยเอาสาระในทางสัจธรรมจริงๆนี่มันมีอีกแง่หนึ่งนะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าสุขทุกเนี่ยตนเองทําหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่า ก, กล่าวเช่นนั้นพราม์ก็ถามต่อไปว่าสุขทุกเนี่ยคนอื่นทําให้หรือ พระเจก็ตอบว่าอยากกล่าวเช่นนั้นพระามก็ถามต่อไปว่าสุขทุกข์นี้ตนทําเองก็มีคนอื่นทําให้ก็มีเกิดขึ้นโดยที่โดยบางเอิญก็มีใช่หรือเปล่าพระเจ้าก็ปฏิเสธให้พรามก็งงเลยนะตกลงสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตนทําเองไม่ใช่คนอื่นทําให้แล้วตกลงแล้วสุขทุกข์มันเกิดจากอะไรพระเจ้าก็เลย อธิบายนะว่าสุขทุกเนี่ย น, นะมันก็เกิดจากปัจจัยแล้วท่านก็ลำดับนะแจกแจงอิปติจจสมุปบาทนะเริ่มตั้งแต่อวิชชานะอวิชชาเป็นปัจจัยนะให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปต่อไปถึงสลายต น, นะผัสสะเวทนาตนาอาปาทานภพชาชารณะระมามรณะทุกโทมันั้น คือท่านอธิบายว่าเนี่ยไอ้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะตัวเราไม่ใช่เพราะใครแต่เพราะเหตุปัจจัยนะเรื่องต่างวิชาอันนี้เป็นการเป็นการอธิบายเป็นการพูดนะในระดับสัจธรรมนะที่บอกว่าสุขทุกข์เนี่ยนะเรียกว่ า, าดีช่วอยอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวหรือว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวเราเนี่ย อันนี้เป็นคำพูดในระดับสามัญในระดับสมมุตนะิถ้าเป็นระดับปรมัดนะหรือว่าธรรมะแท้ๆนี่มันไม่มีตัวเราไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเขานะมันมีแต่เหตุมีปัจจัยอภิธรรมศาสนานี่ถึงที่สุดแล้วไม่จะไม่ตอบว่าใครแต่จะถามว่าอะไรมากกว่ า, าเคยมีพรามก็ถามมือนกันนะว่าใครเป็นผู้ รับผัสสะพระพุทธเจ้าตอบว่าเนี่ยตอบไม่ถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผัสสะ <c oughs> พระรามถามว่าใครเป็นผู้สวยเวทนาพระ้วก็ตอบว่าเนี่ยถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเกิดเวทนา น, นถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าในระดับที่ปรมาภแล้วเนี่ยนะไม่ไม่มีใครนะไม่มีคําว่าใคร ไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนนะมันมีแต่อะไรนะเหตุปัจจัยอันนี้เนี่ยาบางทีคนไม่เข้าใจนะไปเข้าใจาผู้เจยาเนี่ยสอนขัดแย้งกันนะในบางทีก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาพอในบางที่็บอกว่าไม่มีตัวตนนะเรื่องที่เราสวดเนี่ยสวดพิจารณาอภินาปเจาเวกเนี่ยนะ เรามีการเป็นของของตนนะหรือว่าสวดพิจารณาอาหารพิจารณาปัจจัยสี่บุคคลผู้ใช้สายจีวรเป็นศักด์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นนะสองอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเป็นแต่เป็นการพูดความจริงคนละระดับนะความจริงในระดับสามมันในระดับสมมุตินี่ก็มีตัวมีตน เป็นการพูดให้คนเข้าใจง่ายเพื่อชักชวนให้คนทำความดีอย่างคนที่ตระหนักว่าเออตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยก็จะต้องรู้จักนขนไคว่นะไม่พึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่พึ่ตะพือไปหรือถ้าคนที่ตระหนักว่าเรามีกวามเป็นของของตนนะก็จะต้องหมั่นทำความดีเพราะาเกิดทำความชั่วตัวเองก็ต้องรับกรรมไปอันนี้การเป็นการพูดในระดับผู้ทุชนในระดับ อ่าสมมุตินะแต่ถ้าพูดกันอย่างจริงแท้แล้วนี่มันไม่มีไม่มีตัวตนนะคระเจ้าบอกให้เรามองตนนะแต่ถ้ามองแล้วยังเห็นตนอยู่นี่มันก็เรียกว่ายัางไม่ได้เห็นความจริงอ่เป็นยังไม่ได้เห็นความจริงแท้นะถ้ามองตนแล้วก็ต้องเห็นแค่กายกับใจถ้ามองตนแล้วก็ยังมีตัวมีตนหรือเห็นตนอยู่นี่ก็เรียกว่ายัาง ยังมีอวิชชาอยู่นะยังมีความหลงอยู่ถ้ามองตนแล้วเนี่ยเห็นแต่กายกับใจเท่านั้นแหละอันนี้หลาเรียกว่าเข้าใกล้ความจริงแล้วอันที่เราเจริญสตินะก็เพื่อที่จะมองตนในความหมายนี้ไม่ไม่ใช่มองตนแล้วยังเห็นตัวเองอยู่ยังเห็นหน้าเห็นเห็นตาตัวเองยังมีตัวฉันอยู่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่การเจริญสติมันช่วยทําให้เรามองตนแล้วก็เห็นนะว่า มันมีแต่กายกับใจนะที่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่เมื่อวานนี่นะก็เพื่อที่จะมองตนแลวเห็นนะว่ามันมีแต่กายมันมีแต่เวทนามีแต่จิตแล้วก็มีธรรมไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่มีตัวเรานะถ้าเห็นนะถ้าเห็นด้วยสติแล้วเนี่ยนะมันมันก็เห็นแต่อะไรนะมันไม่เห็นใครนะ มองมาที่ตัวเรายังเห็นเป็นใครเห็นเป็นเราอยู่นี่ <c oughs> ก็เรียกว่ายังไม่ได้เจริญสตินะอย่างแท้จริงถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยเวลาเดินนะมันไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปที่เดินนะเวลาเจริญสติแล้วเห็นแลวมีความโกรธเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธนะมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ไม่ใช่เราความโกรธก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นมันเป็นสัตแต่ว่าอาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเช่นเกิดผัสสะขึ้นมานะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อมีผัสสะแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นนะสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดี ถ้าไม่มีสตินะไอ้สุขเวทนาก็นําไปสู่ตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากครอบครองสิ่งนั้นที่ทําให้เกิดสุขเวทนาถ้าเกิดทุกขเวทนาแล้วไม่มีสตินะมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกอยากผลักไสปฏิเสธต่อต้านนะอยากสลัดทิ้งแล้วก็เป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งถ้าถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์ก็ตามมาเลย อันเนี้ยทุกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะใครนะแต่มันเพราะมีปัจจัยนะก็คือมีผัสสะมีเวทนาแล้วไม่มีสติตามมานะมันก็เกิดตัณหาและนําไปสู่ความทุกข์มันไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเขานะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราพูดอย่างสามันก็บอกว่าเออเป็นเพราะว่าตัณหามันอยู่ในตัวเรานะเรายัางรักเรายัาง เป็นเพราะเรายังประคองตันหาเอาไว้หรือว่ารักษาตันหาเอาไว้ให้เต็มหัวใจนะมันก็เลยเกิดทุกข์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นการพูดในความหมายที่ว่ายังมีเราอยู่นะและที่เราที่ทุกๆวันนี้นะก็เพราะว่าไปปล่อยให้ตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันครอบครองใจหรือว่าไม่รู้จักนะระมัดระวังผัสสะนะไ้รับรู้ รูปรดกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจและแถมไม่มีสตินะก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็พูดแบบคุมครุมว่าเออเนี่ยเป็นเพราะเราทำตัวเองคนชั่วเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักฝึกฝนตนนะก็ปล่อยให้เวทนามาเป็นใหญ่เหนือจิตใจนะปล่อยชีวิตไปตามอำนาจของเวทนานะไม่ได้สนใจที่จะ มีสติรู้จักผิดชอบชั่วดีปล่อยให้ตัณหาครอบงาใจอันนี้ก็เรียกว่าดีช่วยู่ที่ตัวทำแต่ถ้าพิจารณาดอดีๆนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครแต่มันเป็นเรื่องของอะไรมากกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วพยายามที่จะมองเห็นจนเลยพ้นไอ้ความสำคัญบ้านหมายว่าเราว่าฉันนะ มันเห็นแต่รูป ก, กับนาเห็นแต่กายกับใจหรือเห็นขันท่าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างถูกทิ่ถูกทางมากขึ้นเพราะว่าให้ขันทั้งห้าหรือว่ากิเลสอวิชชาที่มันทำนาไปสู่การยึดติดในขันทั้งห้านี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครไม่ใช่เป็นเรื่องของนายกรนายขอทั้งสิ้นนะ มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยว่าทำให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่จะลดทอนบรรเทาให้มันน้อยลงสติปัญญานะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นนะถ้าเราสร้างสติไม่ได้พัฒนาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยจะหวังความสุขนะจะหวังความสงบเจนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ จิตใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเรานะเรามีความทุกข์เรากลุ่มอกกุ้มใจฝันฟุ้งปรุงแต่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดนะจะบอกให้มันหยุดคิดเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาสติหรือสร้างสติขึ้นมาเพื่อทำให้ระ ง, งับความฟุ้งซ่านนี่ทำได้เวลาโกรธเนี่ยจะสั่งให้มันหยุดโกรธหายโกรธนี่เราสั่งไม่ได้นะ แต่ว่าเราสามารถจะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อทําให้ความโกรธทุเราลงเช่นแผ่เมตตาเอาเมตตามาช่วยระ ง, งับความโกรธ ด, ดับความรุ่มร้อนอันนี้ทําได้หรือว่ามีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็วางความโกรธลงอันนี้ทําได้ความโกรธ ด, ดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เพราะว่าเราทําเหตุทําปัจจัยให้เกิดมีขึ้น ถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยเกิดมีขึ้นแล้วนี่ไม่มีทางที่จะเกิดนะความความสุขหรือว่าหายทุกข์ได้เวลามีความหิวนะจะสัง่งให้มันหายหิวก็สั่งไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือว่าเติมอาหารเข้าไปพอเราเติมอาหารเข้าไปอาหารมันตกถึงท้องเนี่ยความหิวก็หายไปอันนี้เราความหิวหายไปเพราะเหตุเพราะปะจาัจจัยไม่ใช่เพราะเรา นะไม่ใช่เพราะเราหรือไม่ใช่เพราะคนอื่นนี่กลั่นแกล้งเราหรือว่าไม่ใช่เพราะคนอื่นมาปลนเปล่เราคนอื่นเอาอาหารมากองต่อหน้าเราแต่ถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ไม่มีอาหารตกถึงท้องนะก็ไม่หายหิวได้อันนี้เรกว่าความหิวระ ง, งับดับไปนะเพราะว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดมีขึ้น แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าร่างกายมันอยู่ในบังคับบัญชาของเรามีคนหนึ่งเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าในเมื่อพุทธศาสนาสอนว่ามันไม่มีตัวเรานะจิตใจไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำไมไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสบายล่ะ อันที่จริงนะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะว่าจิตใจไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อทําให้จิตใจเจริญงอกงามได้หรือสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีความสุขได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยตัวปล่อยใจนะก็คือการเปิดช่องเปิดทางให้กิเลสนะอวิชชาหรือว่าอากุศลธรรมเนี่ยมันครอบงําจิต ซึ่งผลที่ตามมาคือความทุกข์เราบังคับจิตไม่ได้ก็จริงแต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อพัฒนาจิตใจได้ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะให้เหตุปัจจัยฝ่ายลบก็จะมาแทนแล้วก็ชักนำหรือครอบงำจิตใจให้ตกไปในทางเสื่อมหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะเพื่อเพื่อที่จะได้ ตระหนักว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันมีมันมีอยู่สองระดับด้วยกันนะอย่าไปสับสนในระดับที่เป็นที่เป็นระดับของคนทั่วไปนะท่านก็ใช้ภาษาสามัญภาษาปกติมีตัวมีตนมีเรามีเขานะแต่ถ้าในระดับที่ นำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วนี่มันไม่มีเราไม่มีเขานะมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะมันมีแต่มันมีแต่สภาวะหรือหรือธรรมะล้วนๆคนผู้ใช้สอยจีวรคนผู้บินทบาตนะคนผู้ใช้สอยเสนาส น, นะคนที่บริโภคยาเนี่ยก็คือตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคือผู้คนทั้งหลายเนี่ยท่านก็ให้มองมันเป็นเป็ น, ป น, ปนสักแต่ว่าธาตุ มันเป็นศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินะไอ้ส่วนที่เป็นรูปก็เรียกว่าประกอบไปด้วยธาตุสีดิดน้ําไฟลมนมันมีแค่นั้นแหละส่วนส่วนที่เป็นนามก็คือใจนะมันก็ก็มีอรูปมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นแหละถ้ามองถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เพิกถอนความยึดมั่นในตัวตนก็ทําให้อ่า หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างถึงที่สุดก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะชัวว่วมันมีตัวตนเนะพราะไม่สามารถที่มองทะลุไปจนถึงสภาวะที่มันเป็นธรรมะล้ ว, ลวนๆนะเพราะนั้นเวลาพูดว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจให้ดีนะว่ามันมีความหมายอย่างไรนะถ้าน้องเข้ามาใส่ตัวจริงๆนะ มันก็จะเห็นอย่างถึงที่สุดว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันมีแต่สภาวะมันมีแต่ธาตุถ้ามองตนอย่างแท้จริงก็จะเห็นว่ามันไม่มีตนนไม่ใช่มองตนแล้วยิ่งมีตัวตนแน่นหนามากขึ้นอันนี้ก็ผิดแล้วยิ่งมองตัวมองตนเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตนนความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะเวลาพูดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วนี่มันไม่มีตัวนะ นะมันมีแต่มันมีแต่แตรูปกับนามนะถ้ายังมีความรสึกว่ามีฉันมีชั้ น, ม, นมีชั้นอยู่นั้นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วอันนั้นมันกําลังเข้าไปในความคิดละอันนี้มันกําลังลงสมมุติและอ่ะวชาตินี้เพิ่งกับเท่านี้น ะ, ะครับครับ